พวกเราที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันและปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นเหมือนพวกที่ได้ถูกวัตตลีลางวันที่หนึ่งเพราะเราได้พบกับสิ่งที่หายากอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ อันนี้ก็เป็นของยากการได้การปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ก็เป็นของยากการดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นของยากและการได้ฟังเทศฟังธรรมคําสอนอันต่อเสดของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยาก เป็นของยากที่จะเกิดขึ้นและผลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้พบกับของยากสี่ประการนี้ก็คือมรรคผล น, ผนิพพานรางวัลเป็นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาของชีวิต เมื่อพวกเรานี้ได้มาพบกับของยากแล้วมีโอกาสแล้วที่จะได้รับรางวัลที่หนึ่งคือรับมรดกนิพพานสิ่งที่พวกเราควรที่จะกระทำกันก็คือเรี่อไปขึ้นรางวัลกันเหมือนกับเวลาที่ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งเราจะ รีไปขึ้นรางวัลกันเพราะถ้าเก็บไว้เดี๋ยวอาจจะหายไปหรือตายไปก่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลฉนันใดการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะการเกิดของมนุษย์แต่ละคนนี้ก็เกิดได้ทีแล้วไม่มากไม่เหมือนกับ สัตวเลี้ยงานที่เขาเกิดกันทีเป็นฝูงเป็นครอบถ้าการจะมาเกิดได้นั้นจะต้องมีบุญหรือบาปเท่าเทียมกันคือบาปก็ไม่สามารถดึงไว้ให้อยู่ในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปอยู่บนสวรรค์ได้ก็จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ การจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรอช่องของของการที่จะมีมนุษย์ได้คือต้องมีให้คนตั้งขันอะไรนี้คนก็ตั้งขันกันไม่มากมีการใช้ายาที่เรียกว่าข่มกำเนิดกันด้วยวิธีการต่างๆช่องที่จะมาให้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยิ่งยากขึ้นไป อันนี้ก็ใครได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าโชคดีสองการเกิดของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นของยากนานๆจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่พร้อมบารมีทั้งสิบประการที่จะตัดสรลุพระธรรมอันประเสริฐ ได้ด้วยพระองเองนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้สักครั้งหนึ่งการที่ได้มีชีวิตอยู่นี่ก็เป็นของยากเช่นเดียวกันเวลาที่ได้เกิดนี่ก่อนจะเกิดนี่ก็มีอุปสรรคเดี๋ยวนี้ก็มีการทำแท้งกันมาก เพราะไม่อยากที่จะเลี้ยงลูกกันอยากจะมีความสนุกสนานกันแต่ไม่อยากที่จะรับภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันเวลาตั้งครรก็มักจะไปทําทแท้งกันอันนี้ก็ทําให้เกิดได้ไม่กี่วันยังเกิดอยู่ในท้องได้ไม่ไม่กี่วันก็ตายไปแล้วแล้ว พอออกจากท้องมาก็อาจจะอยู่ไม่ได้กี่วันบางคนก็เกิดมาได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ตายไปบางคนก็ไม่กี่วันบางคนก็ไม่กี่เดือนบางคนก็ไม่กี่ปีตายกันไปที่จะอยู่กันไปจนแก่เท่านี้ก็ยากหายากมาก การมีชีวิตยอยู่นี้จึงเป็นของยากการที่พวกเราตอนนี้มีชีวิตยอยู่นี้ก็ถือว่าเราได้ของยากและการที่เราจะได้สังเทศสังธรรมนี้ก็เป็นของยากมเมืองไทยถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองพุทธกธ็ตามและมีคนนับถือพุทธศาสนากาันเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ แต่จะมีชาวพุทธที่ฟังเทศกันจริงจริงจังๆนี้มีสักกี่คนกันบางทีฟังก็ฟังแบบทัพีในหม้อแกงพอพระตั้งนโมก็หลับสะประงกไปหรือฟังไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบางแห่งก็คุยกันไปทำที่สแสดงนี้ไม่ได้เข้าไปถึงใจ ก็เป็นเหมือนกับทับ พ, พีในหม้อแกงทัพพีนี้ถึงแม้จะอยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ก็ตามจะไม่รู้ว่าเป็นแกงชนิดใดไม่เหมือนการฟังธรรมแบบเล้นกับแกงเล้นนี่พอสัมผัสกับรสแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ว่าเป็นแกงชนิดใดคนที่ฟังธรรมด้วย จิตใจที่สงบตั้งมั่นและพิจารณาตามนี้หามะหายากมากเพราะถ้าฟังแบบนั้นแล้วจะมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วหรือไม่เช่นนั้นก็นำไปสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นเพื่อให้ได้บรรลุธรรมตามลำดับต่อไปไม่ใช่ทํา ไม่ใช่ฟังศัก์แต่ว่าฟังฟังแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตการบาเพ็ญการปฏิบัติก็ไม่มีเพิ่มขึ้นฟังแล้วก็กลับไปดำเนินชีวิตเหมือนเดิมเคยทําอะไรเคยกินอะไรเคยเที่ยวเคยอยู่อย่างไรก็ทําอย่างนั้นต่อไปการฟังธรรมแบบอย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร นี่คือสิ่งที่ยากสี่ประการด้วยกันที่จะทําให้พวกเรานี้ที่ได้พบสิ่งที่ยากสี่ประการนี้ได้รับรางวัลอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์นามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา เช่นมาเกิดเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่อยู่บนเขานี่เกิดเป็นกวางเกิดเป็นหนิงเกิดเป็นนกเกิดเป็นงูเป็นสิงสารสัตว์ชนิดต่างๆเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ถึงแม้ว่าจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วได้เกิดในแดนของพุทธศาสนาได้กลับไม่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมกัน ไม่ศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติทำกันอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบการที่จะได้มากผลนิพพานก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นมนุษย์แต่บางทีก็ไม่ฟังเทศฟังธรรมกันฟังก็ฟังพอเป็นพิธีฟังแล้วก็ไม่ได้เข้าอกเข้าใจอะไร ไม่ได้นําปสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นและจริงจังตามลําดับต่อไปอันนี้ก็ถึงแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาและนอกจากการที่เป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ถ้า ตายไปก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมได้ก็จะไม่สามารถรับมรรคผลนิพพานได้ถ้าเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาและมีชีวิตอยู่แต่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังก็จะไม่ได้รับมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกัน ผู้ที่ได้รับมรรคผลนิพานนี้เช่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพ บ, บูชากราบไหว้นี้ท่านเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราท่านได้พบพระพุทธศาสนาเหมือนพวกเราท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีท่านได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจนเกิดศรัทธา ที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่จึงทำให้ท่านได้รับมรรคผลนิพพานกันนี่คือสิ่งที่ยากที่หายากในโลกนี้ที่พวกเรานี้ได้เข้ามาพบแล้วสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำกันอย่างเต็มที่ก็คือศึกษากันอย่างจริงจังและ ปฏิบัติกันอย่างจริงจังนั่นเองคําว่าจริงจังก็ศึกษาและปฏิบัติเป็นเหมือนมืออาชีพไม่ใช่เป็นมือสมัครเล่นถ้ามือสมัครเล่นนี้จะมาศึกษามาปฏิบัติทำในวันที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานอื่นๆถ้ายังมีภารกิจการงานอื่นๆ แลมาศึกษามาปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดในเวลาว่างนี่ยังไม่ถือว่าเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพยังไม่มีโอกาสที่จะได้รับมรรคผลนิพพานผู้ที่จะได้รับมรรคผลนิพพานนี้ต้องเป็นระดับมืออาชีพพวกที่จะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพื่อรับเหรียญทองนี้จะต้องเป็นผู้ที่เป็นนักกีฬามืออาชีพ คือไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการฝึกซ้อมกีฬาที่จะแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อที่จะได้ใช้ชนะได้เหรียญทองนักกีฬาโอลิมปิกนี้ส่วนใหญ่เขาไม่มีอาทีพอย่างอื่นเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือจากองค์กรต่างๆเพื่อให้เขาได้มีเวลา ซ้อมกีลาได้อย่างเต็มที่พวกที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพก็คือพระภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีหรือแม่ชีเป็นต้นก็มีผู้สนับสนุนในเรื่องของปัจจัยสี่ทำให้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำมาหากินเพื่อจะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีเวลาเต็มร้อย คือตั้งแต่ตื่นจนหลับไว้สำหรับการบําเพ็ญสำหรับการปฏิบัติจิตตะพ o r n ที่จะทำให้จิตใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนี่คือการขึ้นนางวันที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาเมื่อเราถูกนางวัลแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องไปรับรางวัลที่ ที่เขามีการให้รางวัลกันเช่นที่สำนักงานสลาดกินแบ่งเป็นต้นถวัตเตอร์เ่รางวัลที่หนึ่งนี้ก็ไปขึ้นที่นั่นเพราะที่อื่นเขาไม่รับขึ้นเพราะเงินจํานวนมันมากมา ก, ก็ถวไปขึ้นที่สำนักงานสลาดกินแบ่งเลยการที่เราถวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องไปขึ้นรางวัล วิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาการปฏิบัติอย่างจริงจังและอย่างเต็มที่ถึงจะได้รับรางวัลได้อย่างรวดเร็วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประการไว้ลแล้วว่าถ้าศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจังอย่างเต็มที่ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปี จะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนนี่คือการรับรางวัลของพระพุทธศาสนาต้องศึกษาและปฏิบัติแบบมืออาชีพเช่นเป็นฟิกสุสัมมณี น, นี้ไม่มีหน้าที่อะไรการมาบวชนี้ก็เพื่อมาศึกษาเพื่อมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยสุปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเป็นนักเรียนก็สอบได้ที่ได้คะแนนเกดสี่จุดศูนย์ไม่มีข้อบุกพล้องเลยททำเต็มได้ทุกวิชาทุกคะแนนปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือ ตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ปฏิบัติทุกประการไม่ว่าจะเป็นการทำทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นการภาวนาทําตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้บําเพ็ญมาถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่ปฏิบัตปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างถูกต้อง ผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนการบรรลุลเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอรหันต์ขั้นของพระนิพพานเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดจากการบาเพ็ญอย่างมืออาชีพคือบาเพ็ญอย่างเต็มร้อย เต็มที่อย่างจริงจังไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุผลนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาที่จะรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจ แค่กับการศึกษาและกับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจการงานอย่างอืงอ่นเลยและการที่จะทําอย่างนี้ได้ส่วนหนึ่งก็ต้องมีผู้ที่คอยควบคุมถ้าอยู่ตามลำพังของเราถ้าเราไม่มีความแน่วแน่ไม่มีความจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต โอกาสที่จะทะเลทไลาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็มีมากจึงต้องไปพึ่งครูบาอาจารย์กันถ้าภิกษุนี่บวชใหม่นี่ท่านบังคับเลยว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาขึ้นไปก่อนครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมแล้วนี่ท่านจะคอยขนาดคอยดึงให้เข้าไปในแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้อง เวลาถลาเหลายจะไปทำสิ่งอื่นนี้จะถูกดุด่าว่ากล่าวตักเตือนและถ้าดื้อดึงก็จะถูกขับไล่ออกจากวัดไปต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยกำกับการปฏิบัติเพราะว่าจะทำให้การปฏิบัติมีก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี้ โอกาสที่จะถะเลทลถายออกนอกทางนี้ยังมีมากและอาจจะเสียเวลามากกว่าจะได้บรรลุธรรมดูตัวอย่างของหลวงปู่มัน่นท่านกว่าจะบรรลุธรรมนี้ท่านอายุย่างเข้าไปในวัยหกสิบขึ้นไปแล้วเพราะตามประวัตินี้ท่านไปอยู่เชียงใหม่ไปบำเพ็ญตามลาพังนี้ ในระยะช่วงระยะอายุหกสิบปีช่วง60หกสิบถึงเจ็ดสิบปีนี้ท่านลำเพนตามลำพังอยู่ในเชียงใหม่เพียงผู้เดียวท่านไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาคอยกำหนับคอยกำกับให้ท่านได้ปฏิบัติก่อนหน้านั้นท่านก็ปฏิบัติแล้วก็ไปทำภารกิจอย่างอื่น ไปเป็นครูเป็นอาจารย์พาพระเนรพาญาติโยมปฏิบัติธรรมกันโดยที่ตัวท่านเองนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดนะจนในที่สุดท่านก็เห็นโทษของการที่จะทะเลทลายไม่มำเพงงานของตนให้บรรลุรูล่วงไปก่อนก็เลยทิ้งหมู่คณะไปหนีไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่กับชาวป่าชาวเขา ทด่งงไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็บำเพ็ญอยู่ตามลำพังถ้ามีพระเนเงไปศึกษาก็จะให้อยู่เพียงเดียวๆเช่นในช่วงเข้าพรรษาพอพรรษาท่านก็จะนิเปกหนีไปจะไม่อยากจะอยู่กับใครไม่อยากจะสอนใครไม่อยากจะช่วยใครในตอนนั้นโอะ ถ้าช่วยคนอื่นสอนคนอื่นก็ไม่มีเวลามาช่วยตนเองมาสอนตนเองท่านก็เลยไม่ไม่เกี่ยวข้องไม่คุกคีกับโบคณะในช่วงนั้นจนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมแล้วประมาณอายุเจ็ดสิบนี้ท่านจะคุณธรรมเจดีที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็ไปอาราธนาให้ท่านได้มาโปรดอ่า ญาติโยมและพระภิกษุสา ม, มเณรท่านก็เลยรับนิมนต์กลับมาอยู่ทางภาคอีสานมาอยู่ช่วงสิบปีสุดท้ายของชีวิตของท่านมีพระเองเข้าไปศึกษามา ป, ปฏิบัติได้ได้บรรุธรรมกันเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เพียงแต่เปรียบเทียบนามที่ได้ศึกษา ประวัติของท่านมาว่าขนาดอายุหกสิบนี้ท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมเก็แสดงว่าท่านยังไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ส่วนอย่างอนา จ, จะเป็นเพราะไม่มีครูบาอาจารย์คอยกำกับคอยสั่งคอยสอนานาจจะต้องศึกษาจากตำราบ้างจาก พระรูปนั้นรูปนี้บ้างแต่ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์แบบที่จะคอยมาคอยกำกับดูแลอย่างอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การบรรลุธรรมของท่านนี้ล่วงไปถึงวัยชราแล้วหลังอายุหกสิบปีไปแล้วช่วงสิบปีที่ท่านอยู่ที่เชียงใหม่ช่วงอายุหกสิบถึงเจ็ดสิบปีนั้น เป็นช่วงที่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงหลังจากนั้นแล้วท่านก็เลยรับอันนี้มูจากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีมาอยู่ทางภาคีสานมาอยู่ทางสานักตั้งสำนักแล้วก็มีพระเนรไปอยู่ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมและไปบรรุธรรมนี่คือเรื่องของการบาเพ็ญเรื่องของการปฏิบัติ ถ้าไม่เอาจริงเอาจังและถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยกำกับควบคุมนี้โอกาสที่จะได้บรรลุธรรมอย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่ยากเพราะใจนี้ยังมีกิเลสตนาที่จะคอยหลอกคอยล่อให้ไปหลงกับสิ่งอื่นแทนที่จะให้อยู่กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์นี้จะช่วยได้มากเวลามีใครมาชวนให้ไปนู่นมานี่บางทีก็ต้องไปขออนุญาตก่อนพอไปขออนุญาตก็รู้ว่าท่านก็ไม่ให้ไปก็เลยไม่ไปแต่ไม่ไปขอให้เสียเวลาแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี้พอมีใครมาชวนให้ไปงานนั้นงานนี้งานวันเกิดของครูบาอาจารย์ งานศพของครูบาอาจารย์เนื้องานฉลองเจดีฉลองโบสถ์นี่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้ว่าเป็นการทะเลทลายก็จะปลอ่อยก็จะก็จะไปกันไปแล้วก็เสียเวลาไม่ได้เสียเวลาการบําเพ็ญเสียเวลาการปฏิบัตินการปฏิบัติเมื่อไม่เป็นการต่อเนื่องนี้มันจะทําให้ล่าชา้าและ ได้ายาวนานเพราะเวลาไปนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้าเป็นรถก็เหมือนรถที่ปีนขึ้นเขาพอเวลาไปทําภารกิจอย่างอื่นก็เหมือนกับการปล่อยให้รถไหลกลับลงมาข้างหน้าพอกลับมาจะมาปฏิบัติก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่หรือต้องมาเริ่มเริ่มจากจุดที่ถอยหลังลงมาใหม่ก็อาจะกลับไปถึงจุดที่ ที่ก่อนจะไปทําไปทะเลถลายนี่ก็เหนื่อยพอสมควรอแล้วถ้ายัางไม่เข็ดเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาชวนให้ไปทําอยู่เรื่อยๆถ้าปล่อยให้ทําอย่างนี้รับรองได้ว่าไม่มีวันที่จะสําเร็จได้ถึงแม้ว่าจะได้มาบวชเป็นพระมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะบวชที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆก็ ด้านกระแสของสิ่งที่มาเล่ใจไม่ได้มารลอให้ไปทำนู่นมารออาให้ไปทำนี่บางทีก็ญาติมิมนก็มารลอามามินมนให้ไปไปสวดไปขึ้นบ้านใหม่ไปทำอะไรต่างๆความเกง่งเก่งใจญาติโยมที่มีบุญมีคุณก็เลยทำให้ต้องปฏิเสธไม่ได้ ก็เลยต้องเสียเวลาแทนที่จะได้บําเพ็ญอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวก็ต้องไปงานคนนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปงานคนนี้มันก็มีงานมาให้เรื่อยๆถ้าไม่ปฏิเสธนะถ้าลองรับแล้วมันต้องมีคนอื่นมาขอรับเมืขอหอนี้มนต์ต่อคนนี้นิมนต์ได้เดี๋ยวคนนั้นก็ข อ, อนิมนต์ต่อคนนั้นก็มีวันเกิดคนนั้นก็มีวันตายคนนั้นก็มีบ้านขึ้นใหม่ มีอะไรต่างๆที่จะต้องการนิมนต์พาไปถ้าลองรับงานหนึ่งแล้วรับรองไดาา้ว่าต้องรับเป็นร้อยเป็นพันไปแตถ้าไม่รับงานจริงแล้วไม่รับหมดเลยไม่ต้องรับหมดเลยแล้วเขาก็จะไม่มานิมนต์ให้เสียเวลาเพราะเขารู้ว่านิมนต์ก็ไม่ได้ไปอยู่ดีคนที่จะ ไม่รับกิจนิมนต์ได้นี้ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นจริงๆคือยอมให้เขาดา่ายอมให้เขาเกลียดยอมให้เขาโกรธยอมให้เขาไม่พอใจยอมให้เขาเลิกคบค้าสมาคมกับเราไม่มาเหยียบวัดนี้อีกต่อไปก็ไม่เป็นไรไม่มาเหยียบก็ดีวัดมันจะได้เบาขึ้นคนเหยียบมากๆ ม, มันก็หนักคนเหยียบน้อยมันก็เบา ไม่มีคนมาเลยก็ยิ่งดียิ่งสงบเหมอะอ ก, กับการบาเพ็ญอย่างจริงอย่างแท้จริงคนที่มุ่งมั่นต่อมาผลที่ผานนี้จะไม่เกรงอะไรทางนั้นไม่เกรงใจคนแต่เกรงทำทำที่คึงจะได้ถ้าไปเกรงคนก็จะไม่ได้ทำถ้าไปเกรงใจคนก็จะไม่ได้ทำทรมาปฏิบัติก็จะล้มเหลวผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะต้องล้มเหลวไป าผลนี้เกิดจากเหตุเหตุก็คือการบำเพ็ญการปฏิบัติถ้าไม่มีการบำเพ็ญไม่มีการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องแล้วผลจะไม่เกิดขึ้นมาได้นี่คือเหมือนกับเวลาหมอผ่าตัดนี้ถ้าผ่าปั๊แล้วก็ขอพักสิบห้านาทีพักชั่วโมงไปนั่งดื่มกาแฟไปทาอะไรอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาผ่าต่อนยรับรองได้คนไข้าตายไม่ฟื้นไม่หาย เวลาผ่าตัดนี้หมอต้องยอมทรมานยอมทนเนี่ยยืนเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือถ้าจะสับเปลี่ยนก็ต้องมีหมอที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาคอยสับเปลี่ยนกันการผ่าตัดนี้จะหยุดกลางคันไม่ได้ทันใดการปฏิบัติธรรมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกับการผ่าตัดผ่าตัดใจจิตใจผ่าเอากิเลส ต, ตัณหาออกจากจิตจากใจ ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องไม่ไม่มีการหยุดไม่มีการยัง้งไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาในธรรมเนียมสมัยนี้บางทีเขาก็มาพุ่งเป้าตอนช่วงเข้าพรรษากันว่าเวลาเข้าพรรษานี้จะเอากันอย่างเต็มที่เลยสามเดือนใจเก้าเดือนนี้พอพรรษาแล้วไม่เอาเลยไม่เอาเต็มที่แล้วเอาแบบสบายสบาย วันไหนอยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติวันไหนไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติวันไหนจะไปงานนั้นงานนี้ก็ไปกันเนี่มักจะเป็นอย่างนี้เห็นเวลาเข้าพรรษานี้รู้สึกว่าโอ้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานกันตั้งอะไรตั้งจิตตั้งใจกันจะปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เลยพอออกพรรษาปั๊บหายไปหมดเลยอีกเก้าเดือนขึ้นมาว่ากันใหม่ แล้วยังงี้เมื่อไหร่มันจะได้ผล ท, ทันทีมันจะได้ผลมันต้องเอากันตลอด24ยกเว้นเวลาหลับ7วันต่ออาทิตย์4อาทิตย์ต่อเดือน12เดือนต่อปีมันต้องปฏิบัติแบบไม่มีการหยุดไม่มีการหย่อนไม่มีการยับยัง้งยกเว้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่ขณะเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถปฏิบัติได้ ถ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นภาวนาแล้วก็จะได้ใช้การเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นอารมณ์ทดสอบจิตใจเือเป็นเครื่องที่จะกระตุ้นให้เกิดการภาวนาเพื่อปล่อยวางปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความตายของร่างกายการปฏิบัตินี้สามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาถ้าผู้ปฏิบัติ เข้าถึงขั้นของภาวนาจริงๆคือเข้าสู่ขั้นสติแล้วเนี่ยสตินี้สามารถจเจริญได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามใจนี้สามารถที่จ ะ, จะเจริญสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่เวลาตื่นขึ้นมาจนถึงหลับการจเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบำเพ็ญถ้าไม่มีสติแล้ว เวลานั่งสมาธิใจจะไม่มีวันที่จะรวมจะสงบเป็นอัปปนาสมาธิได้เลยแล้วถ้าไม่มีอัปปนาสมาธินี้จะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถึงแม้จะรู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรจะกระทำตามแต่ถ้าจิตไม่มีกำลังของอุเบกขาไว้ต้าน เวลาเกิดความอยากแล้วจะสู้ไม่ไหวถึงแมวรู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ก็ยังอดไม่ได้สู้ไม่ไหวเพราะใจไม่มีกำลังที่จะตั้งความอยากแ่ถ้ามีสมาธิมีอุบเบกขาแล้วนี้ใจจะมีกำลังที่จะหยุดกิเลส ต, ตัณหาต่างๆได้ ถ้าปัญญาบอกว่านี่คือกิเลสตัณหาไม่ควรจะทำตามทำแล้วจะนำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆความเดือดร้อนความวุ่นวายใจต่างๆเช่นคนที่ติดยาเสพติดติดสุราติดบุหรี่ที่เลิกกันไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีอุเบกขาแต่ไม่มีสมาธิกันรู้ว่าการดื่มสุราไม่ดีการเสพยาเสพติดไม่ดี สูบบุหรี่ไม่ดีแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาไม่ใช่ไม่มีปัญญามีปัญญากันรู้โทษของความอยากเสพสิ่งที่เป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจแต่ไม่มีกําลังใจที่จะสู้กับมันแต่ถ้ามาฝึกสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ทําใจให้เป็นอัปปนาได้รับรองได้ว่า เลิกได้อย่างง่ายดายพอรู้ว่ามันไม่ดีก็ไม่ไปทําตามมันใช้สติควบคุมใจพุทโธพุทโธให้เข้าสู่สมาธิไปพอใจเข้าสู่สมาธิไปความอยากก็ถูกระ ง, งับไปพ อ, ออกมาความอยากนั่นก็หายไปอ่อนกําลังลงไปเพราะเราไม่ได้ทําตามความอยาก ความอยากมันจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราไม่ทําตามความอยากแล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากนั้นก็จะหมดแรงไปแต่ทุกครั้งที่เราทําตามความอยากนี้ก็เป็นการเสริมความอยากให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นก็จะกลับมาแรงกว่าเก่าเคยสูบบุหรี่วันละซองก็จะกลายเป็นสองสองเคยดื่มสุราวันละครึ่งขวดก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งขวด อันนี้เป็นเรื่องของความอยากและของความไม่อยากจร ะ, ะความอยากได้นี้จะต้องมีอัปปนาสมาธิที่เป็นที่มีอุเบกขาเป็นผลจิตรวมลงสักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรเหลืออยู่มีแต่ความว่างและความสงบความสุขใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมีอุเบกขาอันนี้แหละ ที่ทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆเช่นยาเสพติดหรือสุรายามาหรือบุหรี่หรือการเที่ยวการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เช่นเดียวกันเหตุหนึ่งที่พวกเรามาบวชกันไม่ได้ก็เพราะยังติดอยู่กับการเที่ยวกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่นั่นเองเพราะว่าเรายังไม่มีความสุขทดแทน ถ้าเราฝึกสติจนสามารถทําใจให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิได้ให้มีอุเบกขาให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้เราก็จะทิ้งความสุขแบบอื่นได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะทิ้งได้ความสุขจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับคนนั่นคนนี้ได้กระทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันมันจะไม่มี กําลังสู้ความสุขที่ได้จากความสงบได้ลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงนี่ยลดแห่งธรรมก็ลดของความสงบของของความสงบนี่ถ้าลองได้ทําจิตให้สงบแล้วมีสมาธิแล้วจะสามารถรับรู้ธรรมได้ถ้ามีปัญญารู้ว่าการทําตามความอยากต่างๆนี่เป็น การนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่การดับของความทุกข์ต่างๆอย่างพวกที่มีสมาธิมีฌานแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมกันเลยสมัยนั้นไม่มีใครรู้ปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีใครรู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาไปสู่การดับทุกข์ พวกที่ไม่รู้มักจะคิดว่าเวลาอยากมันทุกข์ก็เลยต้องทำตามความอยากพอทำตามความอยากแล้วความทุกข์ก็หายไปอยากสูบบุหรี่พอได้ดื่มบุได้สูบบุหรี่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปอยากดื่มกาแฟอยากไปเที่ยวพอได้ดื่มกาแฟได้ไปเที่ยวครับความทุกข์นั้นก็หายไปเพียงแต่ว่ามันไม่หายอย่างถาวรเท่านั้นเองมันหายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ แ, แรงกว่าเก่าต้องกินให้มันเข้มลดเข้มข้นกว่าเดิมต้องเที่ยวให้มากกว่าเดิมมันถึงจะมีความสุขมากกว่าเดิมมันมันไม่ได้หายไปการทำตามความอยากนี่ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ใจแต่เป็นการสร้างความทุกข์ใจหรือเพิ่มความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับต่อไปแต่การฝืนไม่ทาตามความอยากนี่จะเป็นการที่จะทาลาย ความอยากต่างๆให้หมดไปได้การที่จะฝืนได้เราต้องมีสิ่งที่ดีกว่าจากการที่เราได้จากการทำความอยากคือมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเราได้ความสุขอันนี้แล้วเราก็จะทิ้งความสุขต่างๆได้ เวลาเกิดความอยากแล้วเรารู้ว่าการทําตามความอยากนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ไม่ทําตามเราก็ทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาให้มีความสุขจากความสงบเราก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากเราก็จะหลุดพ้นจากความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นภายในใจของพวกเรา พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ต่อไปใจก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์สุขปรมังสุขขังสุขไปตลอดเพราะตัวที่จะมาทำลายความสุขคือความอยากต่างๆนี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยอำนาจของสมาธิและปัญญาหรือด้วยอำนาจของสติและปัญญา เพราะสมาธิก็เป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเองถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถทําใจให้สงบได้ให้เป็นอุเบกขาให้มีความสุขจากความสงบได้ก็จะไม่ต้องไปทาตามความอยากเมื่อไม่ต้องทําตามความอยากความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปตามลำดับและหมดไปในที่สุดหมดแล้วก็สบายไม่มีอะไรมารบกวนใจอีกต่อไป สิ่งที่มาคอยลังควานใจมารบกวนใจนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนนั้นคนนีสนน้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความอยากของเรานี้เองที่มันเป็นตัวมารบกวนมาลังควานใจเห็นอะไรก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา ừ, ก็เลยเกิดความไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นเท่านั้นเองถ้าไม่มีความอยากแล้วเห็นอะไรก็จะเฉยเฉยได้ยินอะไรก็จะเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกลำคาญใจใดอย่างได ถ้าใจมีอุเบกขาแต่พอไม่มีอุเบกขานี่เห็นอะไรปั๊บนี่จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์กลัวอารมณ์หลงขึ้นมาแล้วก็จะมีตัณหาความอยากตามมาพอมีตัณหาความอยากก็มีความไม่สบายใจตามมาแล้วแทนที่จะมาหยุดความรักความชังความกลัวความหลงความอยากต่างๆก็กลับไปทําตามความอยาก เพื่อที่จะคิดว่าจะได้ทําให้ความหงุดหงิดความไม่สบายใจหายไปมันก็หายแต่มันหายแบบชั่วคราวเห็นกระเป๋าใบหนึ่งเห็นแล้วอยากจะซื้อต่อสู้กับมันหลายครั้งหลายหนแล้วแต่พอเห็นทีไรมันก็ยังสู้มันก็ยังอยากได้อยู่นั่นในที่สุดทนไม่ไหวเอาซื้อกับซื้อพอซื้อปับ๊บความอยากนั้นก็หายไปชั่วคราวได้กระเป๋ามาแล้ว ความหงุดหงิดความลำคาญใจก็หายไปหมดชั่วคราวแต่เดี๋ยวไปเจอใบใหม่ขึ้นมาเอง เ, อเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเกิดความชอบขึ้นมาแล้วมันไม่ได้หายไปเี้ยมันจะหายไปก็คือไม่ซื้อมันพอไม่ซื้อมันแล้วความอยากไม่ซื้อนี่หายไปครับครั้งต่อไปพอไปเจอใบใหม่มันก็เฉยเฉยก็ไม่ซื้อก็ได้ใบที่แล้วก็ไม่ซื้อใบนี้มันก็ไม่ได้วิเศษกว่บใบที่นั่นเท่าไหร่ก็ไม่ซื้อมันได้เลิกกันได้ นี่คือเรื่องของวิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราที่จะทำให้ใจของเราบรรลุมรคนิพพานขั้นต่างๆก็จากการทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานีเองและจะทำลายมันได้ก็ต้องมีปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราก็คือความอยากต่างๆนี้เอง และวิธีที่จะดับความอยากต่างๆก็ต้องใช้สติสมาธิเท่านั้นคือจิตจะต้องนิ่งจะต้องสงบจิตต้องเป็นอุเบกขาแล้วจะต้านความอยากได้จะสู้กับความอยากได้เพราะจิตที่มีความสงบนี้มีความสุขมากกว่าความสุขที่จะได้รับจากการไปทําตามความอยากต่างๆก่อนที่มีอุเบกขาแล้วจะไม่หิวกับกระเป๋าเห็นยังไงก็เฉยๆมันก็แค่กระเป๋านั่นเอง คนที่ไม่มีอุเบกานี่เห็นแล้วมันไม่เฉยมันเห็นแล้วมันชอบชอบแล้วมันก็อยากอยากแล้วก็ดิ้นอยู่ไม่เป็นสุขจะจะจะหยุดดิ้นก็ต่อเมื่อได้กระเป๋าใบนั้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอยากได้กระเป๋าใบใหม่แล้ว อ, อยากได้ของอื่นแทนได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอรองเท้าเดี๋ยวก็เจอไปเจอสร้อยไปเจอต้มหูไปเจอเสื้อผ้า เดียวอะไรร้อยแปดพันประการมันก็อยากไปของมันอยู่ได้เรื่อยเพราะไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบการมีสติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากอย่างที่พระเจ้าทร ง, งแสดงไว้ว่าสตินี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายเพราะธรรมที่เป็นสมาธิหรือธรรมที่เป็นปัญญาเนี่ก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้ที่จะทําให้เกิดขึ้นมา ดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่สติและการจเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องตรีวิเวกต้องอยู่คนเดียวไม่คุกคีกันถ้าอยู่ร่วมกันเดี๋ยวก็อดที่จะชวนคุยกันเรืงนั้นคุยเรื่องคุยเรื่องนี้ไม่ได้พอคุยไปสติก็เผลอปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งปรุงกันไปปรุงกันมาเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าเกิดความอยากไม่ตรงกันก็เกิดการทะเลาะวิวาสกันขึ้นมาได้การพูดปฏิบัติ ที่ต้องการที่จ ะ, จะเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องจึงต้องปีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวหรือถ้าอยู่ร่วมกันก็ให้แยกกันอยู่จะมาร่วมกันก็เฉพาะเวลาที่จะต้องมีทำภารกิจร่วมกันละเวลาทาภารกิจก็ไม่ต้องสนทนากันไม่ต้องคุยกันให้ให้ให้ให้ใหจเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องในขณะที่กำลังทาภารกิจต่าง อยเวลาพระภิกษุมาทําเก็บเริ่มการเช่นบินทบาตดขบฉันนี่ท่านไม่คุยกันท่านไม่สนใจไปหาพูดท่านจะคอยควบคุมใจของท่านให้อยู่กับปัจจุบันให้ไม่ให้คิดปรุงแต่งแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่ว่ากําลังทํำอะไรอยู่กําลังเดินกําลังบินตบาดกําลังเปิด้าบาศกําลังปิด้าบาศเนให้มีอยู่สติอยู่กับเรื่องที่กําลังทำอยู่ ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังถือว่ายังภาวนาอยู่ยังปฏิบัติอยู่แม้จะทาภารกิจอย่างอื่นก็สามารถภาวนาควบคู่ไปกับการทาภารกิจต่างๆได้ถ้ามีการเจริญสติอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเอาไปพิจารณาและเอาไปปฏิบัติกันคือการสร้างสติขึ้นมาถ้าไม่มีสติแล้ว ทำต่างๆเช่นสมาธิปัญญาการหลุดพ้นการบรรลุมรรคผลนิพายนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีสติเพราะเมื่อมีสติก็จะทำให้จิตสงบกันอุเบกขาทำให้มีความสุขในตัวของตนเองไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกเวลาตันหาความอยากชวนให้ไปหาความสุขจากภายนอกก็ไม่ไปฝืนได้สู้ได้ ใครมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปอยู่บ้านได้อยู่วัดได้แต่ถ้าไม่มีความสงบไม่มีความสุขในตัวแล้วพอใครมาชวนปั๊บนี้รับตอบทันตอบรับทันทีเลยไปทันทีเลยไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยรอจังหวะให้คนมาชวนเท่านั้นเองใครมาชวนใครมีรถมารับไปนี้ไปเลยเพราะไม่มีความสุขอยู่ในตัวเอง แต่ถ้ามีความสุขอยู่ในตัวเองแล้วขี้เกียจไปไปทาไมไปนล้วเหนื่อยไปเปล่าๆความสุขที่ได้จากการไปก็เสื่อมความสุขจากความสงบที่มีอยู่นี้ไม่ได้เนี่ยึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของสมาธิคนสมายใหม่นี้คิดว่าไม่จำเป็นสมาธิให้เจริญปัญญากันเลยวิปัสสนากันเลยมันก็เป็นวิปัสสนึกเท่นั้นเองพอจะฆ่ากิเลสสู้กับ ตัณความอยากก็สู้มันไม่ได้เพราะไม่มีกําลังของสมาธิสนับสนุนนั่นเองวิปัสสนึกไปก็บรรลุแบบวิปัสสนึกไปบรรลุว่าถึงข่านนู้นแล้วถึงขั้นนี้แล้วแต่กิเลสยังเต็มอยู่ในหัวใจยังอยากได้นูน่นยังอยากมีนี่อยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสไปกับการคิดว่าเป็นธรรมอยากจะสอนคนอื่นคิดว่าการสั่งสอนผู้อื่นนี้เป็นธรรม ถ้าการอยากสอนผู้อื่นนี่มันเป็นกิเลสแล้วคนที่สอนทำจริงๆถ้าไม่อยากจะสอนหรอกสอนเพราะว่ามันไม่มีใครสอนอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่อยากจะสอนแต่เมื่อพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วถ้าท้าไม่สอนก็ไม่มีใครสอนก็เลยต้องสอนเนี่ไม่ได้สอนด้วยความอยากสอนไม่ได้สอนด้วยความอยากเป็นอาจารย์ของใครสอนเพราะความเมตตาการุณา เพราะว่ารู้ว่าไม่มีใครจะสอนได้ไม่มีใครรู้อริยสัจสี่ไม่มีใครบรรลุอริยสัจสีมีพระองค์เพียงพระองค์เดียวตอนต้นก็ไม่อยากจะสอนแต่หลังจากที่ได้ไข้ควรด้วยเหตุด้วยผลและด้วยความเมตตากรุณาก็ทําให้ทรงต้องตัดสินพระทยัยสั่งสอนแต่การสั่งสอนของท่านก็ไม่ได้มีความอยากได้รางวี่รางวัลได้รับผลตอบแทนอะไรแม้แต่ผู้ปฏิบัติ จะบรรลุแล้วไม่บรรลุ ท, ท่านก็ไม่ได้มีความอยากสอนแล้วก็สอนไปบรรลุได้ก็เป็นบุญของเขาบรรลุไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็เท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะสอนนี่พอสอนแล้วลูกศิษย์ไม่ปฏิบัติทำบางทีก็โกรธลูกศิษย์ขึ้นมาก็ได้ปฏิบัติไปเป็นปีๆแล้วไม่บรรลุก็อาจจะเบื่ออาจจะโกรธไม่อยากจะสอนต่อไปก็ได้ถ้ามีความอยากจะสอนแต่ถ้าไม่มีความอยากมันก็สอนไปตามหน้าที่ถึงเวลามาฟังก็สอนไป สอนไปแล้วมันจะไปทาอะไรก็เรื่องของมันมันจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ไม่ไปติดตามไม่ไปเช็คดูให้เหนื่อยไปแบบนี้มีหน้าที่สอนก็สอน mm hmm. เขามีหน้าที่ปฏิบัติก็ปล่อยเขาปฏิบัติไปถ้าเขาปฏิบัติเขาก็ได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้อัตตาหิอตัตโนนาโธตนเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นปฏิบัติให้กับเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง ดังนั้นพวกเรานี้ก็ได้มาพบกับรางวัลที่หนึ่งตุกรางวัลที่หนึ่งแล้วตอนนี้เราต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลก็คือไปปริกวิเวกไปเจริญสติไปทําใจให้สง บ, บให้จิตเป็นอุเบกขาให้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าปัญหาเป็นต้นเหตุ ข, ของความอยาของความทุกข์ทั้งหลายเราต้องกำจัดปัญหาด้วยปัญญาด้วยการ เห็นว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความความสุขเราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเรามีอุเบกขานี่คือเรื่องของการขึ้นนังวันต้องปีกไม้เวกเจริญสติเพื่อให้เกิดความสงบเกิดอุเบกขาแล้วก็เอาปัญญาคืออริยสัจสี่นี้มาสู้มาทำลายความอยากให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นเหมือนเอาสารพิษ ไม่ใช่เป็นปลาไหลเป็นงูเหา่าอย่าไปใกล้มันใกล้มันแล้วจะถูกมันกัดตายนะแต่ความหลงจะทําให้เห็นงูเห่าเป็นปลาไหลอยากอยากจะจับมาผัดเผ็ดกันพอไปจับมันเข้าก็ถูกมันกัดนถ้าไปยุ่งกับตันหาความอยากเมื่อไหร่ก็เหมือนกับไปยุ่งกับอัลลอฮฺลพิษเมื่อนั้นแต่ความหลงก็ทําให้ไม่คิดว่ามันเป็นอสลลอฮฺลพิษคิดว่ามันเป็นอาหารอันโอชะ เห็นกระเป๋าก็อยากได้ก็ซื้อกระเป๋าเขามาชวนไปเที่ยวก็ไปช่วงเนี่ยช่วงเมษานี่มีหยุดกันหลายวันไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวต่างประเทศบ้างพอมีใครมาชวนปั๊บก็ไปเลยเพราะอยากไปอยู่แล้วอหรือไม่มีใครชวนก็ไปเพราะอยากจะไปนี่คือการ เ, าเดินเข้าหาเอาสองละพิษการทำตามความอยากถ้ามีปัญญาแล้วจะต้องเดินทายหลัง ช่วงหยุดนี้ต้องมาอยู่วัดมาปีกวิเวกมาเจริญปัญญามาเจริญสมาเจริญสติทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆแล้วเราก็จะได้รับรางวัลที่หนึ่งกันนี่คือเรื่องของพวกเราที่เป็นพวกที่ได้ถูกวตัตถุนิยรางวัลที่หนึ่งกันแล้วรอเพียงแต่เวลาไปขึ้นรางวัล น, นี้เท่นั้นเอง ก็ขอให้พยายามรีบไปเสียเพราะเดี๋ยวเวลามันจะหมดเวลาก็คือชีวิตของเรามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะหมดไปในที่สุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติกไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรนำดับต่อไปนี้ก็เชื่อมถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรถามปัญหาทางบ้าน ถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีมีมีคนอยากจะถามคกราบนมัสการเสียงกันครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ก็คือเคยมาหาอาจารย์ครั้งแรกก็น่าจะประมาณวันที่ยี่สิกยิบเจ็ดธันวาละครับแต่ก่อนนั้นก็จะ นั่งสมาธิได้แค่ประมาณสามสิบนาทีแล้วก็จะรู้สึกว่าปวดจนทนไม่ได้แต่พอหลังจากนั้นมาหาพระอาจารย์เสร็จก็คื อ, อรับซีดีแล้วก็ฟังเทศกับพระอาจารย์ก็คือเลยทําให้ทราบว่าสติเป็นสิ่งที่เราต้องเจริญก็เลยพยายามเจริญมาตลอดก็คือระหว่างวันหลังจากนั้นพอกลับไปพยายามที่จะเดินจงกรมกับนั่งสมาธิทุกวันนะครับตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาก็ทําให้พบว่าอา เราสามารถที่จะนั่งจงกรมได้นานขึ้นประมาณถึงสักชั่วโมงขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความปวดจนทนไม่ได้ก็คือพยายามที่จะอยู่กับมันไปเรื่อยๆครับก็เลยทําให้เราทราบว่าเคยลองนั่งไปถึงสักประมาณเกือบสองชั่วโมงก็ก็ยังทนได้ครับ mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือความสามารถเรา mm hmm. ถ้าหากเราพยายามอยู่กับมันแล้วก็คือพอเรามีสติเนี่ย ก็จะกลายเป็นว่ามันเหมือนกับจะมีกำลังมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพ อ, อาจารย์ทำอยู่เรื่อยๆจนสามารถที่จะให้เราอยู่เฉยๆกับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดขนาดไหนถ้าจิตเรามีสติให้อยู่เฉยๆนะั้นมันจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายหรือความแก่ความตายของร่างกายของเราเองหรือของผู้อื่นก็ตาม การปกจิตนี้เพื่อจิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาเวลาจิตเป็นกลางแล้วจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงจะดีหรือไม่ดีจิตรับรู้ได้ทุกทุกสภาพนี่คือเป้าหมายคือให้ให้รู้ทันแล้วปล่อยวางถ้าเรามีอุเบกขาแล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ทันเรายังไปหลงชอบไปรักไปทางอยู่ ก็อาจจะทำให้เราออกจากอุเบกขาได้ทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาได้เราก็ต้องดึงมันกลับมาสู่อุเบกขาเหมือนเดิมทุกครั้งที่เรามีความวุ่นวายใจขอให้เรารู้ว่าเรากำลังหลงทางแล้วเรากำลังไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องดึงจิตเข้ามาให้อยู่เฉยๆให้ได้ด้วยสติด้วยปัญญาคือถ้าอยากก็ให้พิจารณาว่า ได้มาก็สู้กับการไม่ได้ไม่ได้จะดีกว่าได้มาแล้วก็จะต้องทุก์กับสิ่งที่ได้มาเพราะสิ่งใดที่ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันเสือ่อมมีวันดับไปนี่คือเรื่องปัญญามีสติอย่างเดียวบางทีไม่พอสู้ไม่ไหวก็ต้องเอาปัญญาของอุเจ้ามาใช้ ให้เห็นว่าถ้าเราไปทำตามความอยากกลับจะไปเพิ่มความทุกข์ไม่ใช่ไปทำให้ความทุกข์มันน้อยลงการถืนความอยากไม่ทำตามความอยากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะทำให้ความทุกข์มันน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดพยายามทำไปเรื่อยๆจนเราสามารถควบคุมใจของเราได้ตลอดเวลาไม่สต๊อกส้านไม่หวั่นไหวกับอะไรต่างๆที่เรามารับรู้ ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ก็ไปหาเหตุการณ์ต่างๆที่มันสะเทือนใจเราดูว่าใจเรายังจะสะเทืนกับมันหรือไม่เช่นไปหาที่น่ากลัวอยู่เรายังมีความกลัวอยู่หรือเปล่าเอถ้ามีความกลัวแล้วเราใช้สติใช้ปัญญาหยุดความกลัวนี้ได้ไหมให้จิตอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าถ้ามีความรักก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าเราไม่อยู่กับสิ่งที่เรารักเราจะอยู่ได้หรือไม่ ก็ต้องหัดไปอยู่คนเดียวไม่ต้องอยู่ใกล้กับสิ่งที่เรารัะเราชอบเดี๋ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทดสอบข้งนีน้เราปฏิบัติเรายังอาจจะยังไม่ได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างดั้เราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ขอบคุณครับ คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามมีคนมาเสนอขายที่ดินเปล่าสองไร่อยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวโคราชค่ะแต่โยมไปเช็คแล้วเป็นที่สปกอไม่มีโฉนดเป็นที่รัฐบาลแบ่งให้ประชาชนยากจนเพื่อทำกินแต่ชาวบ้านเอามาขายต่อค่ะถ้าโยมรู้แต่ซื้อมาเพื่อปลูกอาศัยซึ่งผิดเจตนารัฐบาลโยมไม่สบายใจค่ะ โยงควรจะซื้อหรือไม่คะก็นั่งมันก็บอกอยู่แล้วมันไม่สบายใจก็ไปซื้อมานถ้าอยากจะไปสบายใจก็อย่าไปซื้อมันเคยก็ไปก็หมดเรื่องตันหาความอยากอยากได้ได้มาแล้วแทนที่จะสบายใจกับไม่สบายใจเลยกลับไปนั่งสมาธิดีกว่านาใจให้สงบแล้วจะสบายใจจะไม่อยากได้อะไรคําถามจากผู้ฝากถาม การตกผวังกับจิตรวมเป็นสมาธิมีข้อแตกต่างกันที่สติใช่ไหมคะคือถ้ามีสติก็จะไม่ตกผวังแต่จิตจะรวมเป็นสมาธิใช่ไหมคะความจริงคําว่าตกภวังนี่มันถ้าเป็นผวังสมาธิก็คือจิตรวมนี่เองคงอกันถ้าถ้าผวังแบบไม่มีสติก็เรียกว่าผวังหลักหลับสับประงบไปมันก็เป็นผวังอีกอันหนึ่ง ก็มีสองผวางผวังสมาธิกับผวังหลับถ้าวังสมาธิก็เป็นจิตรวมเข้าสู่ความสงบคำถามจากคุณดิเลก ข, ข้อหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่จิตของผมยินดีรักใครขณะที่เห็นผู้หญิงสวยจนทำให้จิตฟุ้งซ่านผมเลยมานั่งพิจารณาอสุภาเพียงอย่างเดียวพิจารณากลับไปกลับมาอยู่แบบนี้สองเดือน ขนาดพิจารณารู้สึกร่างกายมันพองโตขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ร่างแตกขนาดร่างแตกทำให้เห็นตามกายยกะตาสติภาวนาที่ใช้พิจารณาและคืนนั้นขณนะหลับได้ฝันเห็นกองกระดูกสูงเท่าภูเขาในฝันถามว่านี่กองกระดูกอะไรทาไมเยอะจังมีคนบอกว่ากองกระดูกที่พบชาติที่ตัวเองเกิดมา ทั้งกระดูกคนและสัตว์เดรัจฉานจากวันนั้นจิตผมก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีพอใจขณะที่เจอผู้หญิงสวยพอเจอมันเหมือนซากศพเหมือนโครงกระดูกยืนอยู่กินข้าวไม่ได้ไม่ยินดีพอใจกับสิ่งนั้นเลยผมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติไหมครับถ้ละความอยากในการได้ก็ถูกต้องคือถ้าเรา ไม่ต้องการที่จะร่วมหลับนอนกับใครแม้ว่าเขาจะรูปร่างหน้าตาดีไม่ดีอย่างไรเราอยู่คนเดียวอยู่โสดได้ไม่ต้องหาความสุขจากการร่วมหลับนอนก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกวิธีเพราะผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาก็ต้องเป็นผู้ที่ถือศีลพรหมจรรย์กันเพราะจะไม่หาความสุขทางร่างกายจะหาความสุขจากการทาใจให้สงบ แต่ใจจะสงบไม่สงบก็อยู่ที่มีตัณหาความอยากมาลบกวนใจหรือไม่ถ้ามีตัณหามันก็จะทําให้ใจไม่สงบถ้ามีปัญญาคืออสุภะมาระงับดับตัณหาความอยากที่จะเสกการอยากจะร่วมหลับนอนกันได้มันก็จะทําให้ใจกลับสู่ความสงบได้ก็ก็ถูกต้องถ้าทําแล้วใจสงบ กำจัดตัณหาความอยากได้ข้อสองผมยิ่งปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกเพราะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มีแต่อยากจะออกบวชเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะพ้นจากทุกข์ความรู้สึกแบบนี้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติไหมครับถูกต้องแต่ต้องนาไปสู่การปฏิบัติก็คือต้องไปบวช ถ้้าาเบบ่่่่่อออยยยกกกวววดแแตตัังงงงไไมมูคำถามจากคุณสมพิธเวลาเราหงุดหงิดลำคาญใจแต่ไม่มีกำลังสติและปัญญาที่จะพิจารณาดับได้เราตามรู้มันเฉยๆได้ไหมคะก็ดูว่ามันมันแก้ปัญหาได้หรือไม่ถ้าตามรู้แล้วทำให้ความหงุดห ง, ดงิดลำคาญใจหายไปได้ก็ใช้ได้ ถ้าตามแล้วมันกลับหุ่นหงิดเพิ่มขึ้นหรือมันไม่หายก็ใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ควรใช้พุทโธจะดีกว่าถ้าพุทโธนี่แน่นอนกว่าถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความหงุดหงิดอะไรต่างๆมันก็จะหายไปเองคําถามจากคุณหนองฮีฟลาเวอร์หนูปรารถนาจะบรรลุ ธ, ธรรมในเพศคลาวาสชอบปลีกวิเวกอยู่ในที่สงบสงา่าหลีกเลี่ยงสิ่งลบกวนปรุงแต่ง ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งสังคมเพื่อนฝูงทำส่วนเป็นอาชีพพอเลี้ยงตนได้พยายามฝึกใจให้ว่างหลีกเลี่ยงสังคมความวุ่นวายและบุคคลที่มาลบกวนหนูเบื่อและโสดสังเวกับความอยากปีอยากได้ของคนเพราะมีคนมาขอรับสินเงินทองหนูมากหนูให้จนเหลือแค่พอมีพอกินเท่านั้นสังคมมองว่างโง่ให้เขาหลอกเอารั์สิน หนูควรปฏิบัติอย่างไรให้หลุดพ้นวัตจักของสังคมที่ทั้งอยู่ในเพศคราวาสคะก็ต้องละความอยากต่างๆละกามะันหาความอยากที่จะเสพลือเสียงกลิ่นลดผลพภะความอยากมีอยากไม่เป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากใหญ่อยากโตอยากมีหน้ามีตามีเกียรติและละการอยากไม่มีคือวิภวะทันหา อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ให้เขามาด่ามาว่าเราอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจเราก็จะหลุดพ้นได้หมดแล้วคำถามอะไรยกย ก, ยกมือว่ายกมือไหว้แล้วยกมืออะไร ไม่ถามทางรัฐเลยหาเจอไหมยังทางรัฐเจอแล้วแต่ไม่ยอมเดินเพื่อจะมีรัฐก่อนนี้อีกไม่มีแล้วทางทางระหว่างจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งนี้ทางสั้นที่สุดคืออะไรทางตรงใช่ไหมเส้นตรงเส้นตรงทางที่สั้นที่สุด อ้าเส้นมันโคง้งมันเวานี่มันจะยาวขึ้นไปนั้นทางของพระเจ้ า, านี่ตรงที่สุดแนละ้วสว่างขาวโตพระกตตาธรรมโมนะตอนที่ทำตัดไว้ชอบแนละ้วตรงกับความจริงทุกประการแนละ้วไม่มีอะไรจะตรงกว่านี้แนละ้วยาใา้สั้นกว่านี้ไม่มีแนละ้วอย่าสงสยัยอย่าังเลย เนี่ยโอกาสนี่หายากนะเป็นเหมือนรถขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายเนะนี่ยสองการก็จะนั่งรถกลับบ้านกันเนะี่ยรีบขึ้นรถเนะี่ยเดี๋ยวรอคันนู้นคันนี้เดี๋ยวพอไปเจอคันสุดท้ายแล้วไม่ขึ้นก็ต้องเดินกลับบ้านนะเอราเนี่มีพระพุทธศาสนาเป็นรถไฟพาเราไปพระ น, นิพพานกันถนะ้าเรามัวแต่เปลี่ยนคันนู้นรอคันนี้รอเวลานั้นรอเวลานี้น เ, นเดี๋ยวเกิด เราตายไปซักก่อนก็จะเหมือนกับไม่ได้ขึ้นรถไฟถ้าเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันลึกถึงเทวทูตสี่เรื่อยๆความแก่มันขยับเข้ามาความแก่นี้มันเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับงูที่ขยืบขยับขยับเขมือเขยืบเหยือบใครเห็นงูกินเหยื่อั้มมันไม่ได้กินเหมือนเรากินข้าวตับพว้ยเข้าไปเลยมันค่อยๆเขยืขเบเข้าไปทีละนิดทีละนิด กดทางโคกนี่มันค่อยๆเอาเข้าไปทีนิดทีนิดนพอเผลอแป๊บาหายไปแล้วกินเข้าไปหมดแล้วร่างกายของเราก็แบบเดียวกันมันค่อยๆแก่ลงไปทีนิดทีนิดดูทุกวันมันดูไม่ออกแต่ลองไปดูภาพที่ถ่ายมาเมื่อสักสิปีกับภาพตอนนี้หรือภาพตอนที่เกิดมาไปดูเด็กทารกคิดถึงตอนที่เราเป็นทารกกับตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ไปดูงานศพไปดูคนตาย แล้วก็ดูว่าเนี่ยต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันจะได้ทำให้เกิดมีความขวนขวายกระตือรือร้นขึ้นมาไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ประมาทนอนใจเวลามีน้อยไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่พวกเราเหมือนได้ตั้งระเบิดเวลากันไว้แล้วไม่รู้ว่าร่างกายของเรามันจะร ะ, ระเบิดเวลาไหนกันบางคนก็อาจจะระเบิดวันนี้บางคนก็อาจจะพรุ่งนี้บางคนก็เดือนหน้าปีหน้า ไม่มีใครรู้ว่าเราตั้งเวลากันไว้เท่าไหร่ตอนไหนเวลาที่เราตั้งก็เกิดจากบุญบาป ท, ที่เราทำนี่แหละจากการการกระทาต่างๆของเรานี้มันเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวตั้งนาฬิกาของเราถ้าเราเดื่มชวราสูบบุหรีน่นี่ก็ตั้งเวลาให้มันเร็วขึ้นถ้าเราไม่ดื่มชวราไม่ไ ม, ไม่ไม่สูบบุหรี่มันก็ทำให้เวลามันยาวออกไป การกระทาของเราเนี่ยแหละเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราให้สั้นหรือให้ยาวส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เรื่องของเหตุปัจจัยเหนือวิสัยที่อยู่นอกนอกที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เช่นภัยธรรมชาติต่างๆอุบัติภัยต่างๆโรคระบาดเมื่ อ, อะไรต่างๆอหลนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ภายในการกระทําของเราที่แต่เราก็ไปไปกําหนดไปควบคุมบังคับมัไม่ได้ มันดีคืมันดีไปติดโรคอะไรขึ้นมาก็ได้ไปกินอะไรเข้าไปเอาไวรัสอะไรเข้ามาในร่างกายก็ได้ไปหาหมอหมอลืมทำความสะอาดเครื่องมือแล้วเชื้ออะไรมาใส่เราก็ได้มันมีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตเราสั้นลงและหมดไปได้อย่างรวดเร็วเราต้องคิดเรื่องราวเหล่านี้มันถึงจะทำให้เรากระเตือือร้อนขึ้นมา ถ้าเราคิดว่าเออเราก็อยู่างนี้มาเราก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเนี่ยมันคิดแบบนี้เรื่อยคิดแบบประมาทพอเหตุชะเหตุปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหตุใจปัจจัยที่มันทําให้เราอยู่ในวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้มันอาจจะทําให้เราตายพรุ่งนี้ก็ได้เราต้องหันคิดอย่างนี้มันเราเลือกถึงเทวทูตสี่อย่างที่แน่นอนก็คือความแก่เนี่ยมันแก่ลงไปเรื่อยเอาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่แน่นอน แล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆความตายก็ไม่แน่นอนจะ ต, ตายเร็วตายช้าตายยากตายง่ายมันก็ไม่มีใครรู้ดังนัเราไม่ควรที่จะรีรอดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพอเห็นเทวทูตสี่แล้วก็เตรียมตัวออกจากวังเลยเตรียมไปไปปฏิบัติไปปรับใจให้ ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้ทําได้เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้อย่างเมื่อกี้โยมที่เ้าเล่าว่าพอไปฝึกสติเขาก็เห็นว่ามันทําได้มันไม่ใช่ยากของยากเย็นอะไรมันก็เหมือนกับกีฬาหัดเล่นกีฬาถ้าไม่เคยเล่นก็ยากเราไปตีกอล์ฟดูเลยไม่เคยตีมันก็ยากไปเล่ น, บนเบรลเลียดไปแทงบเบรลเลียดแทงไม่เป็นมันก็ยาก ไปเล่นเทนนิสมันก็ยากมันยากั้งหน้าเพราะเราไม่เคยแต่พอเราไปฝึกไปหัดไปเรียนไปกระทําต่อไปมันก็ง่ายขึ้นมาเองทันดการปฏิบัติทำนี้ก็เป็นของที่เหมือนก็เหมือนการเล่นกีฬานี่แหละคนอื่นก็ทําได้เราก็ต้องทําได้เราพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านทําได้เราก็ทําได้เพราะท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านก็ไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรมากไปกว่าเรา มีอาการสามสิบสองเหมือนกันมีตาหูจมูกริ้นกายเหมือนกันมีสติมีปัญญาเหมือนกันก็อยู่ที่เราเท่านั้นนะว่าเราจะขวนขวายเราจะเอาไม่เอาเท่านั้นเองถ้าเราไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ <Yeah. S 2> เหมือนกับเทน้าใส่แก้วที่มันคว่มอยู่เทไปเท่าไหร่มันก็เก็บน้ำไม่ได้แม้แต่หยดเดียว <Yeah. S 2> มันต้องหงาย <Yeah. S 2> ถ้าหงายแล้วเทก็เท่าไหร่มันก็จะได้หมด ทำที่เราจะได้ก็เหมือนกันถ้าเราขวนขวายเราอยากได้มันก็จะได้ถ้าเราไม่ขวนขวายไม่อยากได้มันก็จะไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เราและสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความขวนขวายขึ้นมาก็คือการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายการระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าการระลึกถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอานันตสาวกทั้งหลายมันก็จะเป็น สิ่งที่จะทําให้จุดประกายความความขวนขวายขึ้นมาได้ทําใหเา้เราไม่ประมาทนอนใจให้เรารีบตักตวงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่นานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งคือการได้มาเจอพระพุทธศาสนาและได้เป็นมนุษย์ต้องเป็นทั้งมนุษย์และต้องพบกับพระพุทธศาสนาเพื่จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ยกเว้นถ้าเป็นเทวดาแล้ว มีพระอริยะเจ้าที่สามารถสั่งสอนเทวดาได้ซึ่งเหมือนกันน้อยกว่าพระอริยะเจ้าที่ไม่ได้สั่งสอนก็ต้องไปรอให้ท่านสั่งสอนแต่ถ้าเรามาเจอพระที่มีความสามารถสานพูดภาษาของเราได้เราก็รีบที่จะกวนขวายชาวต่างประเทศเขายังพูดภาษาไทยไม่ได้เขายังโสดาบินมาเมืองไทย เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเลยแล้วกลับไปบินไปบ้านเขาไปเที่ยวบ้านเขาท้ <c oughs> องกับเบื่อบ้านเขาขก็ไม่อยากจะเที่ยวบ้านเขาให้เรากลับไปชอบไปเที่ยวบ้านเขาขก็กลับชอบมาปฏิบัติที่บ้านเราเพราะทัศนคติมองไม่เห็นกันเขามองเห็นเพชรในบ้านเราเราเห็นเรากลับไปเห็นตัวหนอนไส้เดือนในบ้านเขาเราชอกบกินไส้ตัวหนอนไส้เดือนพวกไก่ได้พอย พอเจอพลอยก็เขีย่ยทิ้งเขีย่ยทิ้งหาแต่ตัวตัวหนอนตัวไส้เดือนฮะนอนไส้เดือนก็รูปเสียงกลิ่นรถนี้แหละไปบ้านเขาจะได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรถแปลกแปลต่างจากที่รูปเสียงกลิ่นรถที่เราเห็นจำเจยอยู่ที่บ้านเราพอไปได้ไปเที่ยวที่บ้านคนอื่นประเทศอื่นแล้วมารู้สึกตื่นเต้นดีใจกันแต่ถ้าไปอยู่สักพักก็เบื่อเดี๋ยวมันเห็นสักพักมันก็จำเจมันก็หาว่ามาเดี๋ยวต้อง ไอ้ย่าพูดต้องเอาไมโครโฟนที่ท่านอาจารย์บอกว่าไปเที่ยวนันเป็นปัญหาชนิดหนึ่งนะะก็พยายามจะทำใจแต่พอเพื่อนเขาไปเที่ยวอเมริกาแคนาดาแล้วเขาถ่ายรูปสวยๆมาี่เลดมันขึ้นทันทีแล้วท่านอาจารย์คิดว่าควรจะท่องพูดโถหรือไงคะเนี่ย ต้องรีบไปนั่งสมาธิแล้วอย่าดูอย่าฟังในสิ่งที่ทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมานงระงับต้องสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกเิ้นกายอย่าไปดูรูปเสียงกลิ่นรสที่มันทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าไม่ได้เห็นภาพที่เขาส่งมาก็ไม่ได้มีความอยากถ้าไม่ได้คิดถึงมันมันก็จะไม่มีความอยากยังต้องใช้พุโทโธหยุดมันพุโทโธพุธโทโธไป แต่ถ้าไม่เคยซ้อมพุทโธมาก่อนถึงเวลาก็เหมือนกับรถขับไม่เป็นอ่ะถึงวา่าจะขับหนีก็ขับไม่ได้เพราะไม่เคยหัดขับรถมาก่อนสตินี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาให้เราหนีออกจากตัญหาความอยากได้ถ้าเราไม่ฝึกสติไว้พอถึงนี้เวลาจะใช้สติจริงๆใช้ไม่เป็นเหมือนกับขับรถเนี่ยพอจะหนีภยนัยหน่อยๆขับไม่เป็นแน้ะเพราะไม่เวลามีเวลาว่างไม่หัดขับกัน พอถึงเวลาจะขับก็สตาร์ทไม่เป็นขับไม่เป็นอันนี้ก็เหมือนกันสติก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาให้เราหนีออกจากตัณหาหนีออกจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราไม่ฝึกเสียแต่วันนี้พอถึงเวลาจะทำก็ทำไม่ได้ก็อย่างที่บอกตอนนี้อยากจะไปแล้วใช่ไหมแล้วอาจจะไปแล้วก็ได้กำลังเตรียมตัวแล้วก็ได้ถ้าไปไม่กล้าเรยนไป มีใครเมื่อกี้เอาไม้ไปอ่านธมอ่ะอนมัตการค่ะหลวงพ่อแล้ก็คิดถึงหลวงพ่อเจ้าค่ะค่ะแต่คิดถึงเราคิดถึงธรรมของพระเจ้าดีกว่า<ไ>คิดถึงเราเดี๋ยวไมีปัญหาได้ห<ไ>ลวงพ่อคะคือหนูกอยากจะไปต่อนะคะทีนี้จะไปต่อได้ก็ต้องมาปรึกษาหลวงพ่อก่อนค่ะคือก่อนที่จะมาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อนะคะความโกรธมันเป็นก้อนใหญ่ๆ แต่ความโกรธนั้นไม่เคยทําร้ายผู้อื่นค่ะแต่ความโกรธนั้นมาทําร้ายใจตัวเองแล้วก็ทําร้ายคอมพิวเตอร์ไปหนึ่งเครื่องหนูก็โยนทิ้งอะไรมันโงเงี้ยค่ะอ่าทีนี้พอมาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อแล้วค่ะหลวงพ่อสอนหนูก็เอาไปฝึกทําอะค่ะก็ปรากฏว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วะค่ะมันพอมีความโกรธขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งมีข้อธรรมะของหลวงปู่ดุลค่ะ พูดขึ้นมาว่าความโกรธของหลวงปู่มีไหมหลวงปู่บอกว่ามีแต่เราไม่เอามันหนูก็เลยรู้สึกว่าความโกรธที่เข้ามาในใจหนูเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันเหมือนคนที่อยู่นอกบ้านแต่ใจของหนูเนี่ยเหมือนบ้านถ้าหนูไม่ให้ความโกรธนี้เข้ามาในบ้านเนี่ยความโกรธนั้นมันมันไม่มีเลยค่ะหนูจึงคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่หนูนึกไปเองหรือเปล่า แต่ทุกครั้งเนี่ยหนูสังเกตดูว่าตั้งแต่เรียนธรรมะกับพระอาจารย์มาเนี่ยความโกรธที่เป็นก้อนมันไม่มีแต่มันมีความยุกยิบยุบยิบอยู่ในใจที่ยังเป็นความขุ่นเคืองหรือลาคาญใจตรงนี้ค่ะก็ต้องคิดมันเหมือนกับความโกรธเหมือนกันก็ต้องอย่าให้มันเข้าในบ้านเราเหมือนกันอ๋อค่ะต่อไปมันยุกยิบยุบยิบก็อย่าให้มันเข้ามาค่ะมันเป็นความหงุดหงิดลาคาญใจที่ละเอียดเข้าไปเกิดจากความอยากที่มันละเอียดเข้าไป ใช้วิธีเดียวกันก็อย่าเอามันยุบยุบยุยุบก็อย่าไปสนใจมันมันเหมือนกับว่าเราเห็นคนคนที่เดินเข้ามาแต่เราไม่ให้เข้าบ้านยุบยุบยุบยๆบก็อย่าให้มันเข้ามาในใจเราบางทีหนูรู้สึกใจของหนูเหมือนบ้านเลยใช่ไหมคะใช่มันเป็นที่ปลอดภัย ที่สงบเนี่ย <c oughs> ที่สงบเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยค่ะแล้วอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเหมือนคนที่อยู่นอกบ้านใช่อาคารตุ ก, กะเขาเรียกเป็นอคันตุก ะ, ะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะอาจารย้าเร า, าไม่ต้อนรับเขาเขาเดี๋ยวเขาก็ไปค่ะ <c oughs> ถ้าเราต้อนรับเขาก็จะอยู่สร้างความวุ่นวายให้กับเราออ่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่หนูนึกไปเองหรือเป็นสิ่งที่ธรรมะสอนค่ะอาจารเหมือนกันนึกหรือไม่นึกมันถ้ามันดับความทุกข์ได้มันก็เป็นธรรมะทั้งนั้น ค่ะพระอาจารย์หนูไปทางนี้ต่อได้ไหมคะก็ถูกแล้วไงอย่าเอามันเข้ามาในบ้านอย่าเอางูเข้ามาในบ้านเห็นงูแล้วต้องรีบปิดประตูไม่ใช่เปิดประตูให้มันเข้ามาค่ะวิธีปิดก็พุทธโธพุทโธไปค่ะพระอาจารย์พุทโธนี่อัศจรรย์มากเลยค่ะพระอาจารย์ประตูวะนะค่ะคุ้มครองหนูบอกป้องรักษาใจค่ะขอพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะดูอาจารย์ก็ค่ะอ่าเอาต่อส่งไม่ไป เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าถัดจากความโกรธมันเข้าไปละเอียดเข้าไปข้างในอีกเป็นความรําคาญใจเจ้าค่ะลูกขออท่านอาจารย์อธิบายต่ออีกนิดได้ไหมเจ้าค่ะว่ามันคือก็มันเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังพิจารณาหาเหตุไม่ได้มันก็มันก็แต่เรารู้ว่าเราหงุดหงิดนบบบึบเย็บบางทีอาจจะเป็นอากาศร้อนหรือเป็นความเบื่อหน่ายหรืออะไรมันก็ทําให้เกิด อารมณ์ไม่ดีได้แต่เราก็ใช้พุทโธใช้สติหยุดมันได้พอรู้สึกมันยุบยุบยุบยุบหาสาเหตุไม่ได้ก็พุทโธไว้ก่อนก็นแล้วกันถ้าหาสาเหตุได้ล้า อ, อ๋อหงุดหยุดเพราะอากาศร้อนก็ทําใจร้อนก่อนร้อนทําไงได้มันเป็นอนัตตาห้ามัมนไม่ได้พอยอมรับความร้อนได้เดี๋ยวมันก็หายหงุดหงิเองถ้ายังหาสาเหตุไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปก่อน อย่าปล่อยให้ใจมันหน่งเหงียิ่งยิ่งหงุนเหงีย์เดี๋ยวมันก็ยิ่งขยายความขึ้นไปใหญ่พอโหนุงหงิดก็บอกว่าใจเราไม่สงบแล้วใจเราเกิดตัณหาความอยากแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปก่อนทําจิตให้สงบเป็นอุเบก ข, ขาก่อนก็ยังดีแล้วค่อยมาใช้ปัญญาคิดคนดูอีทีว่ามันอยากกับอะไรอ่า เจ้าคะเรื่องงูเหมือนกันแต่ว่าคนละงูกันก็สมมติว่าเราเดินจงกรมไปหมพ่อเคยพูดไปแล้วค่ะถ้าหนูเดินจงกรมไปเจองูจงอางข่าวนี้การตัดสินใจมีสองอย่างคือวิ่งหนีหรือว่าจะพูดโท ต, ต่อหน้ามันแล้วปล่อยให้มันกัดตายเลยเจ้าคะแต่ว่าเราก็รู้สึกอีกแง่หนึ่งว่าเออเรายังปฏิบัติยังไม่ถึงในถ้าปล่อยตายไปก็แปลว่า ก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนให้ปฏิบัติได้ก่อนเราจะรู้ไงว่ามันจะกัดตายมันอาจจะไม่กัดตายก็ได้ถ้าเรายืนเฉยเฉยมันอาจจะไม่มาทำลายเราก็ได้อย่างหลวงปู่ชอบท่านไปเจอเสือท่านก็ยืนเฉยเฉยจิตท่านก็รวมเข้าไปในสมาธิออกจากสมาธิมาเสือก็หายไปร่างกายท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นท่ไม่ทำลายเราหรอกถ้าเราไม่สแสดงกิริยาการที่ทําให้มันคิดว่าเป็นภัยกับมันถ้าเรายืนเฉยเฉยนี่ยมันจะไม่มา มามากลับมาทำลายเนอะแต่ถ้าเราวิ่งนี่มันอาจจะคิดว่าเราจะไปทำลายมันก็ได้ืังนั้นต้องเฉยอย่างเดียวถ้าเจอแล้วก็ต้องเฉยเบรกกึกเลยเฉยแล้วก็ยืนเฉยๆพุดโธไปเรื่อยๆพุทโธไปเลไม่ต้องไปมองมันมันจะกัดจะกัดถ้ามันไม่ันไม่กัดก็ไม่กัดถ้ามันกัดก็ถือว่าเป็นกรรมของเราค่ะก็ต้องกล้าหาญไปเลยนะคะแต่ส่วนานไม่กัดเนสัตว์โดยธรรมชาติถ้าที่อยู่กับมันมาเนี่ย เวลาเห็นมันเรายืนเฉยๆเดียวมันก็เลื่อยไปเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดหนูตื่นหรือว่าหนูมาเดินเดินออกจากกรุดตอนกลางคืนหรือว่าตอนตีสามอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเออก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะก็อยู่ที่เราว่าเราต้องการอะไรไหมถ้าเราต้องการทดสอบจิตใจว่าเรากลัวอะไรไม่ไหมเราก็อาจจะต้องออกมาหาความสิ่งที่ทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วเราก็จะได้แก้ปัญหา ด้วยสติหรือด้วยปัญญาคือกลัวผีเนี่ยก็กพอทนได้เจ้าค่ะแต่ว่าถ้ากลัวเรื่องของคนเนี่ยเจ้าค่ะเวลาออกมาตอนห้าหกทุ่มเราก็มีความวิตกนิดหน่อยว่าเอ๊ะมันจะไม่คนเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่ที่เราอยู่มันมันค่อนข้างปลอดภัยหรือไม่คือเราจะไปรับประกันว่าปลอดภย100ัยร้อยเอร์เซ็นตคงไม่มีหรอกที่ในวังมันยังไม่ปลอดภัยเลยงั้นแต่ถ้าเราใช้ ใช้เหตุผลว่าเออโดยภาพรวมแล้วมันปลอดภัยก็โอเคแต่ถ้ามันถึงข่าวจะตายมันกากาจไปเจออะไรขึ้นมาก็ได้อยู่ในวังก็ตายได้เอานะคะหมายความว่า<ต>ได้แล้วใ่คะแต่ต้องใช้ใช้ใช้ใชการพิจารณาโดยโ<ช>ดยจลักเหตุผลว่าโดยภาพรวมที่นี่มันปลอดภัยก็โอเคแต่ไม่มีอะไรปลอดภ100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าค่ะ OK. เราก็ต้องเตรียม um, รับถึงสอนให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพือเราจะได้ไม่ต้องหวั่นไหวกับความตายมากจนเกินไป uh huh. เรามาบวชนี่เพื่อให้กลัวความตายเราไม่ได้บวชมาเพื่อไม่เพื่อหนีความตายความตายเราหนีไม่ได้แต่เราจะหนีความทุกข์ที่เกิดจากความตายได้หนีจากความกลัวตายได้ huh. ยังเราต้องเจอสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราจะตายเราจะได้ใช้ปัญญาใช้ใ ช, ใช้ธรรมะนี่มาดับความกลัวได้ ถ้ากลัวมากๆเจออะไรที่กลัวมากๆแล้วเราปร่งได้ว่าร่างกายในที่สุดมันก็ต้องตายอ๋อถ้าวลานี้เป็นเวลาที่ต้องตายก็ยอมตายพอยอมตายว่าจิตก็สงบหายกลัวเราจะตายไม่ตายก็อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันแต่เราสายเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความกลัวสุดขีดนี่เนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นธรรมะให้เกิดขึ้นคือปัญญาให้เห็นว่าเกิดแล้วต้องมีตายเป็นธรรมดา ถ้าไม่ยอมตายก็จะทุกข์ถ้ายอมตายก็จะไม่ทุกข์เราต้องการทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราต้องการไม่ทุกข์เราก็ต้องยอมตายพอเรายอมตายปั๊บเราก็หายทุกข์ส่วนจะตายจริงหรือไม่ตายจริงก็ไม่เป็นปัญหาอะไระเข้าใจไหมเข้าใจค่ะค่ะพี่หุณค่ะมีใครอยากกระทำอีกไหมถ้าไม่มีก็พอสมควรแก่เวลา ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถออยางไงเธอช่วยมาเจอหน่อยไหมเจแล้วขอบพระคุณค่ะไปเกิดข้างสุดท้ายก็จางลงค่ะแต่ว่า เั็นอย่างไรก่เป็นอย่างหนึ่งไเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนึ่เดี๋ยวไปลาดชะล่ากันมาแน่ๆจะมาแบบนี้เลยคอนเทนตรับกันไห้ได้มันไม่มาลูกแบบนี้หรือมันก็มาลุกแบบนี้มมาแน่ๆ แต่งมสาทสาีเสียอะไรนี่แมาอยู่นั่งคายอยู่แต่ยังไม่ค่อยื้นเล่ะกายั้นั่งกายไม่ค่อยข็แอยากจะมาหมดหมดเพื่อนแล้วหมดทุกข้แล้วเราไม่อยู่ตอนนั้นค่ะตอนนั้นก็อึดแล้วตอนนี้ข้างหลังจะไม่ไหวตอนนี้นไม่มีเหตุผลที่อยากจะอยู่ต่อแล้วเนี่ยบางทีพอคเสียคนักไปแล้วบางทีตัวเองก็อยู่ไม่ได้นานก็เสืมันไม่มี ไม่รู้จะอยู had, ่ไว้ทำไมคิดอย่างอยู่ก็เหงาว่าวเลยจะไปหาแฟนใหม่ก็มันก็อานชาวบ้างชอบน้องหาแฟนใหม่นี่กับอยู่ไม่ได้ถึงตอนนี้แหละ ย่าอายุวัฒนะจริงๆเป็นอย่างนี้ดูนารู้เฟิร์สโแจกกไปแต่งงานกับสาวอายุสลัรสสี่สิบกว่าห้าสิบตัวกอดสิบกว่าเน็ดสิเจ็ดสแปสิบอใช่ือยังขับรถได้เลยตับรถเราเนื้คนเยอะไม่ใช่พูดถึงนยรู้เ์สโม้ตโน้จกเศรจทีมาเสรจที แล้วเซเลเรอังกฤษเนี่ยที่มีฟอ็อกเนี่ยเขาไปได้แฟนอายุนนา 3, ต่อมนก็สามสี่สิบปีแล้วทำให้หนุนขึ้นเลิกกับแฟนเก่าไปเป็นคนจีนนีคนเกาเ่าคนจีนเหลือไม่ด้แล้วก็วหลัง โลงของกลางไปอย่างนี้เป็นลมหายใจของชีวิตจิตใจขาดกามเมื่อไหร่มันก็ขาดลมหายใจตายเมื่อนั้นแต่คนที่มีสมาธิเขาไม่ต้องใช้การเป็นเครื่องหายใจเล้ใช้ความสงบเป็นลมหายใจไม่มีเครื่องไม่มีแฟนก็อยู่ได้พยายามเกิดบ่อยๆเนื้อยอะเยอะยอะเวลาแฟน ตายเ th ราจะได้มีอะไรมาทดแทนคิดว่าเราจะตายก่อนเขาไม้โชคดี